15. สมถวาระวิสัชนาวาระวาระว่าด้วยเรื่องสมถะและวาระว่าด้วยการตอบ30มสมัยใดอธิกรระงับด้วยสามุขาวิไนและเยผุยยสิกาได้เยผุยยสิกาในที่ใดก็จะได้สามุขาวิไนในที่นั้นได้สามุขาวิไนในที่ใด ก็จะได้เยปุยสิกาในที่นั้นแต่จะไม่ได้สติวินยัยอมมรหาวินยัยปฏิญญาตการณะตัสปาปิยสิกาตินวัฏฐากะในที่นั้นสมัยใดอธิกรระงับด้วยสัมมุขาวินัยและสติวินยัยได้สติวินัยในที่ใดก็จะได้สมมุขาวินัยในที่นั้น ได้สั ม, มุขาวินัยในที่ใดก็จะได้สติวิไนในที่นั้นแต่จะไม่ได้อมุระหาวิไนปฏิญญาตการณะตัสปาปิยาสิกาตินวัฏฐารกะเยภุยสิกาในที่นั้นสมัยใดอธิกรระงับด้วยสัมมุขาวิไนและสติมมวินัยได้สติมมวิไนในที่ใด ก็จะได้สัมมุขาวิไนในที่นั้นได้สัมมุขาวินันในที่ใดก็จะได้สติวิไนในที่นั้นแต่จะไม่ได้อมมระหาวิไนปฏิญญาตาการณะตัดสปาปิยสิกาตินวัฏฐากะเยพุยสิกาในที่นั้นสมัยใดอธิกรระ ง, งับด้วยสัมมุขาวินันและอมุระหาวิไน ได้อโมระหาวิไนในที่ใดก็จะได้สั ม, มุขาวิไนในที่นั้นได้สั ม, มุขาวิไนในที่ใดก็จะได้อโมระหาวิไนในที่นั้นแต่จะไม่ได้ปฏิญญาตการณะตัสปาปิยสิกาตินวัฏฐากะเยปุยสิกาสติวินัยในที่นั้น สมัยใดอธิกรระงับด้วยสัมมุขาวิไนและปฏิญญาตการะณะได้ปฏิญญาตการะณะในที่ใดก็จะได้สัมมุขาวิไนในที่นั้นได้สัมมุขาวิไนในที่ใดก็จะได้ปฏิญญาตการะณะในที่นั้นแต่จะไม่ได้ตัสปาปิยะสิกาตินวัฏฐารกะเยภุยสิกาสติวิไน อมูรหาวิไนในที่นั้นสมัยใดอธิกรระ ง, งับด้วยสัมมุขาวิไนและตัดสปาปิยสิกาได้ตัดสปาปิยสิกาในที่ใดก็จะได้สัมมุขาวิไนในที่นั้นได้สัมมุขาวิไนในที่ใดก็จะได้ตัดสปาปิยสิกาในที่นั้นแต่จะไม่ได้ตินนวัถารกะเยปุยสิกา สติวินยัยอมูระหาวินยัยปฏิญญาตการณะในที่นั้นสมัยใดอธิกรระงับด้วยสัมมุขาวินัยและตินนวัถารกะได้ตินวัถารกะในที่ใดก็จะได้สัมมุขาวินัยในที่นั้นได้สัมมุขาวินัยในที่ใดก็จะได้ตินวัถารกะในที่นั้น แต่จะไม่ได้เยุยสิกาสติวินัยอมูรหาวินัยปติญญาตการณะตัสปาปิยสิกาในที่นั้นสมถะวาระที่สิบห้าจบ